เรียกว่าตู้พระใจไปดกเห็นนั่งอยู่เนี่ยในอะไรหลายอย่างในบาปมีบุญมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยบางทีก็ เ, เป็นเปรตเป็นจุลกายเป็นสัตว์นรกก็มีถ้าเราไม่ศึกษามันก็จะลงโทษเรา บางอย่างลงโทษจนเกียนตาย้าเราศึกษาก็โอ้เป็นประโยชน์ประโยชน์แก่ตัวเองแล้วไม่พอยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอีกแล้การศึกษาที่วิตที่รวบยอดก็คือวิชากรรมฐานเรียกว่าวิปัสนาทุระรอางกายเอาใจเป็นตํารา เอาสติกันนักศึกษาเนี่ยดูพอมันรุ่นรุ่นเนี่ยมันต้องมีวิธีอะไรต่างๆไม่ต้องไปเพ่งกระสินไม่ต้องไปบริกรรมตรงเข้าไปอะไรที่เป็นตัวลู่น่ะเรียกว่าตรงแล้วไม่ต้องเอาบริกรรมมาขวงมากัน้นการเดินก็ไม่ต้องว่าหรกาอกซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไม่ต้องว่า แล้วไม่ต้องเดินย่องหยองยกส้นน้อย่างหนอลงนอเหยียบนอถูกนอกดนอไม่ต้องว่ามันขวางกันความรู้สึกตัวลู่ลู่ตรงเป๊ะเลยลู่ตรงไหนลู่ตรงไหนก็ได้ความลู่ไม่จํากัดขอบเขตว่าจะเป็นความลู่สึกก็ใช้ได้ไม่ต้องบางีไม่ต้อ ง, ง, องเอาลงตรง ปาท้าวเหยียบพื้นบางทีเวลาเวียงไปก่อนที่ก่อนที่จะมันถึงพื้นเวลาเดินเดินมันเวี่ยงมันยกมันยา่ามันไปทั้งหมดมหลักคือตัวลูกจนตัวลูกก็ถูถกต้องนะไม่ต้องไปหาอะไรอีกจบแล้วความรู้สึกตัวก็ถือว่าจบแล้วสมบูรณ์แบบของวความรู้สึกตัวยกมือซ่อนยังว่า ถ้าเทมือยกขึ้นยกลองอยู่นี่มันแวกไปในอากาศลู้ตามไปเอาไปไม่ต้องหรอกลู้สึกก็ใช่ได้ละลูกไปกับมือที่มันยกก็ใช่ได้นี่รู้สึกตัวเวลาใดที่มันคิดไปก็ลู่เวลาใดที่มันคิดลูกไม่ต้องไปหาความถีก่อนที่มันจะคิดมันเป็นอะไร ทำไมมันยังคิดไปมันตั้งต้นจยางต้องไหนไปคําหาเหมือนกับนกหยับไม้ไม่มีรอยเวลามันบินไปแล้วมันลอยมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาหรอกเวลาเราจะมันคิดกับโล่ถูกต้องแล้วแล้วก็กลับมากลับบริบทที่เราตั้งเอาไว้ส่วนนิมิตนิมิตเหมือนกับหลักซะเมือนกับหลักสติเหมืนกับเชือกซะ หกใช่ไหมสมมติว่ามมเราไม่กายเราไม่กิดเราไม่กิดสะกอะไรที่มันไปเชื่อกเชื่อกคือสติรู้สัมผัสนั่นก็เชื่อกโผล่สนตะไคร์วควายมันก็สัมผัสก็ออกก็รู้สึกก็กลับมามันไม่ไปเราจะไปที่ใดสัมผัสกับเชื่อกรู้สึกหัวควายตัวนั่นก็ ลู่เชือกพอเชือกนี่มีอำนาจมันก็ไม่ดื้อไม่ตึงอืก็เรียกว่าเขาโบราณเท่าไหร่มันเป็นเชือกตัวควายตัวไหนที่มันเคยผูกเชือกมันก็เป็นเชือกต้องการกระดิกนิดเดียวกระดิกเชือกนิดเดียวมันลู่ความหมายทั้งทั้งที่เชือกะไม่ไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่มันสัมผัส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 อันสอนตัวเองก็เหมือนกันแหละกายเป็นนิมิตเดินจงกรมบ่างยกมือสร้างจังหวะ บ, บ้างเวลาใดที่มันหลุดออกไปจากนิมิตแต่มันก็มีเชือกอยู่คือสติรู้อยู่มันรู้อยู่มันก็รู้จักกลับมากออามม็ถูกสอนอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่มันไปมันลู้นะถูกสอนอยู่เรื่อยๆสอนจิตเมื่อจิตถูกสอนเมื่อจิตถูกสอนอยู่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 เมื่อมันผิดมันทำถูกมันเป็นจนเรต้องไปด่ากันจนจะต้องไปทะเลาะวิวาสกันจนจะต้องไปทุกข์จนจะต้องไปสุขจนจะต้องไปโกรธไปโลภไปหลงมันทำให้เป็นพอมันถูกสอนไปถูกสอนไปมันรู้ไปรู้ไปมันก็ทำเป็นแล้วมันหลงมก็เปลี่ยนเป็นไม่หลงเวลามันผิดมันก็เปลี่ยนเป็นถูกเวลามันทุกมันก็เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์เวลามันโกรธมันก็เปลี่ยนเป็นไม่โกรธนี่มันก็เรียกว่ามันเป็นนี่ว่าโซ ธรรมชาติธรรมชาติมันสอนธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มันสอนไม่มีอะไรสอนธรรมชาติเนี่ยสอนมันเราผิดความผิดก็สอนให้มันทุกความทุกก็สอนให้มันทุกถ้าเราไม่สอนตัวเนี้ยไม่รู้ตัวเนี่ยเอาจริงเกยงแล้วมอบให้ธรรมชาติเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติ <c oughs> มีทุกข์จึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาทําไมมีทุกข์พพุทเจ้าไม่ได้ตัดสชื้อโรคหรอกอ ข, ขอบคุณความหลงทำให้เกิดความลู้ขึ้นมาขอบคุณความหลงอย่าไปเกี่ยวข้องกับความหลงแบบผิ ด, ดเวลาใดที่เรานั่งยกมือเวลาใดที่เราเดินมันคิดหลงไปคิดหลงไปอย่าไปอย่าไป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 มันก็ยิงไม่ถูกแล้วมันข้ามแล้วมันรอดมันซ้ายมันขวาไปแล้วไม่ตรงถ้ารู้สึกเนยเอออันนี้ไม่ผิดเป้าตรงเป๊ะตรงเป๊ะเนี่ยคือปฏิบั ต, ติตรงตรงแท้ๆตัวนี้ไม่ข้ามไม่รอดไม่ซ้ายไม่ขวาตรงนั่นเองแล้วไหนรู้ตรงนี้รู้สึกตัวนี้รู้สึกตรงนี้ผิดก็ยิ้มได้ถูกก็ยิ้มได้ สุขทุกอะไรก็ดูมันเน่ยอ่ามันอันเดียวเท่านั้นแหะตัวดูเนี่ยหนึ่งเดียวตัวดูเนี่ยเป็นเหรอโอ้มากมายหลายเรื่องทีเดียวเนี่ยแหะตัดูเนี่ยโอ้ตัวเดียวรัดเนี่ยมือเดียวกุญแจอดอกเดียวเป็นหลักสากลเลยอโล่ตัวดูตัวเห็นเนี่ยแล้วก็ะะสะดวก อะไรจะมาก็มาอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะผิดก็มาไม่กลัวหรอดูมันอยู่ไหนดูมันอยู่ไหนนั่งอยู่กติของเราเติร์นไปเป็นทบาทรออประคบล้วฉันอยู่กับผู้กบคนอะไรก็ตามดูเราไม่หลักอยู่และมันไม่หลักดูมันมีหลักเฉลยมันเป็นหลักสากลของเขาธรรมชาติเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนสากลของโอโลก หรือสากลของคณิตศาสตร์สองเป็นสิบสามสิบห้า 3, 5, ก็เป็นนอกมันนอกตัวเป็นหลักกําหนดอื่นแต่ว่าคิดของเรามันหลักเดียวเป็นสูตรเนะสูตรอันเดียวสติปัฏฐานสูตร <c oughs> เป็นสูตรอันเดียวที่มันเป็นหลักสากลแปดหมืนสี่พันอยางอยู่ตรงเนี้ย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 นี่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งใจปฏิบัติกันทุกชีวิตบางคนก็หลงหลงไปร้องโมร้องไห้เรานั่งอยู่กติใจเยินเสียงคนร้องไห้บางคนก็ร้องอะไรหลายอย่างเราก็ลู้กเ็เหรอเราเดินไปดูไปถามเขาดูเขาพูดออกมาบางคนก็ มันหายใจไม่ออกบางทีมันก็โล่งเกินไปบางทีมันก็แน่นแสดงว่าเขาไม่รู้นะควมรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่จะไปอยู่ตรงนั้นมันหาให้ใจไม่ออกก็โู่สึกมันมันโล่งเกินไปก็โู่สึกมันเป็นอาการในตัวนอกตัวมันจะไม่เป็นอะไรก็ช่างมันเราลูกของเราอยู่เนี่ยโอ้ยเรารับรองไม่เป็นเหมือนเขาต่อพูดเดี๋ยวหลวงปู่เทียนผมไม่เป็นอย่างนี้หลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วง จะไม่อะไรเราลู่อยู่เนี่ยมันแน่นหน้าอกเรต้องเทคนิคของเรามีเยอะแยะหายใช่ย่าไปจนอหายใจไม่ออกมันแน่นมันเครียดดูถ่องป้าดูต้นไม้เอาความรู้สึกออกไปข้างนอกก่อนอย่ามาคุม <c oughs> คุมเกินไปมันก็ทะเลทลายมันก็เราดิบเข้าอ่อ ขนมจีนขนมจีนมันมีรูเ้เล็กๆเราบีบมันออกตามรูมันเป็นเส้นต้องมีจังหวะพอดีกับเส้นมันต้องระหว่างมือที่นวดบีบออกไปให้มันไหล แ, แรงเกินไปมันไม่ออกรูออกรูไม่ทันมันก็แตกผ้ามันแตกไปหรือถ้าบีบกระท่อนกับแท่นมันก็เส้นสั้นๆไม่สวยแล้ก็บีบ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 หมอว่ามันกับครัวอาจารย์เวลาสอนหลูกสิทธิ์มันมีหลักอยู่แล้วมันมีหลักมันก็ใช้ได้ ม, ไมีหลักสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองห้าเป็นสิบนี่นะมีหลักหลักเฉลยชีวิตสโลงก็มีความรู้ภาวะที่รู้ศึกภาวะที่เห็นมันอยู่นะอะไรที่มันจะเกิดปฏิเสธไม่ได้ เรียกว่าปรากฏการณ์แต่ว่าเราปฏิเสธการปรุงแตง่งการเข้าไม่เข้าไปเป็นตัวเข้าไปเป็นเนี่ยเราปฏิเสธแหละมันสุกขก็ไม่ได้ไปสุขมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันอะไรก็ตามเราจะดูเราจะเห็นมันอยู่นะตรงนี่แหละตรงมักแท้ๆแหละตรงมักทแท้ๆผ่านได้ตลอดถ้าเป็นเราติดสังท้ายถ้า สุกก็ติดฝังขวาถ้าตุทุกก็ติดฝังซ้ายตายินดีก็ติดฝังขวาธายินไล่ก็ติดฝังซ้ายอไปใชแล้ะมันไม่ตรงมันไม่ผ่านมันก็ท่อนทรงที่มันไหลตามรองคลองน้ำถ้าติดฝังซ้ายมันก็ไม่ไปไม่ได้ถึงไหนติดฝังขวาก็ไม่ถึงไหนการปฏิบัติก็เหมือนกันตัวดูตัวเห็นตัวรู้ตัวน่ยล่องไปเลยละ เอียงไปไหลไปสู่มกักสู่ผลเลยทีเดียวรู้จึกตัวรู้จึกรู้จึกนียเป็นไปเพื่อความดับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรินิพานเราทําดูมันสะดวกกว่าอย่างอื่นถ้าเป็นละมันเสียเวลาถ้าสุขมันก็เสียเวลาถ้าทุกข์มันก็เสียเวลาถ้ารูกก้ก็เสียเวลาถ้าไหม่รู้ก็เสียเวลาสนุกสู่เราดูเฉยเฉยไม่ได้ เราเคลื่อนไหวมือเราก็ดูมันไปลูบไปถ้าอยากทาดูมันก็มันก็เกิดหยาดเกิดหยาดลูบลอกเห็นลูบเห็นนามเห็นลูบมันทำเห็นนามมันทำแต่ดูตัวเน่ยดูตรงไ้นมันก็แจม่มแจ้งตรงนั้นทำแจ้งตรงนั้นดูลูก็ลูบ ก, ก็เฉลยแจ่มแจ้งเปิดเผยดูนามนามก็เฉลย ธรรมชาติของโลกธรรมชาติของน้ำอาการของโลกอาการของนาำทีมันก็สรุปมันพับใส่กระเป๋าให้แล้วนิดเดียวกับมือเดียวไม่มากหรอกโลก ท, าทําน้ำทํำโลกทุกน้ำทุกโลกโลกน้ำโลกจริงก็ตัวรูตัวเห็นนี่แหละถ้าคราวที่จะต้องแกะแกงถ้าคราวที่จะต้องย่อยมันก็ย่อยง่ายๆไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนหรอก ทำลายสักระยติทิใหม่มีตัวไม่ตนแต่ก่อนมันไมีตัวไม่ตนเต็มไปหมดในรูปเน่ยในน้ำก็มีตัวมีตนเต็มไปหมดเราไม่รู้เนาะผมไหนก็มีแต่ตัวแต่ตนพอรู้แล้วมันย่อยออกสลายออกจับแต่ว่าไปเลยไม่มีอะไร แล้วก็คำตอบก็มีอยู่ในนั้นแหละถูกถูกผิดผก็มีอยู่เลยนะเป็นศีลอย่างไรเป็นสมาธิอย่างไรเป็นปัญญาอย่างไรอะไรคือญาณอะไรคือฌานอะไรคือบุญคือบาปอะไรเปิดเผยออกมาในการปฏิบัติธรรมครบทวดสูตรของการศึกษากรรมฐาน การกระทาที่เราทาอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวมือไปเคลื่อนไหวเดินจงกรมคือกรรมตั้งต้นจากนี้นวกรรมตัวนี้จะจำแนกไปจะามมีเจตนามีตัวรู้จิงเถ้งเวลาใดทาไม่รู้กรรมมันก็ไม่มีผลกาเป็นกรรมที่เป็นกระตัดกรรมเป็นกรรมที่ศูนย์เปล่าแต่เรามีเจตนารู้รู้ไ กรรมที่มีผลกรรมตัวนี้จะจำแนกไปไปสู่วิปัสนาลูกแกงภาวะเข้าสู่วิปัสนาเป็นภาวะที่ลูกแกงพ้นภาวะเก่าร่วงเกินภาวะเก่าต่างเก่าถ้ากรรมตัวนี้ขึ้นสู่วิปัสนาแล้วต่างเก่าไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนเป็นคนที่โกรดพอมันต่างเก่ามันก็ไม่โกรธแต่ก่อนเป็นคนจีทุก มันต่างเก่ามันก็เลยไม่ขีดทุกแต่ก่อนมันขีดหลงแตอนี่มันก็ไม่ขีดหลงแต่ก่อนง่ายที่จะหลงง่ายที่จะกโกรธง่ายที่จะทุกข์ทไปทาไปมันก็ง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะไม่โกรธง่ายที่จะไม่ทุกข์สะดวกทางนี้แต่ก่อนมันไม่สะดวกไลยนิดหน่อยก็เอาแหละคอยที่จะกระทบกระเทือนอเจ็บเจ็บกระทบ อะไ ม, มันง่ายแลยมั้ง่ายที่จะหลบหลีกไม่ถูกแต่ก่อนอะไรก็ตัวเต็มไปหมดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงทุกทั้งหมดตอนนี้มันไม่ถูกไม่มีอะไรที่จะไปให้ถูกไม่มีที่ตั้งความโกรธก็ไม่มีที่ตั้งให้ความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งให้เ <c oughs> ห็นแต่ลูกเห็นแต่นามเห็นแต่ธรรมชาติเห็นแต่อาการเห็นแต่สมมติ แต่บัญญัติเห็นวัตถุเห็นนาการเป็นปรมาร่วงทะลุไปซะออกไปหนดทะลุไปหนดเปลาไปเลยลมโกรธก็เปาไปเลยไปไม่ตัวไม่ตนที่ต้องมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นตาเห็นหลุมหูได้ยินเสียงเอาเอาลงไปผ่านได้ตลอดชีวิตก็ปลอดภัยไม่มีอะไรหายตัว เป็นชีวิติลบเหลือศูนย์ลบศูนย์แต่ก่อนมีแต่ตัวแต่ตนกูอนนีมันลบกูลบศูนย์เเหลือศูนย์ว่างเปล่าจากความหมายขอยงความเป็นตัวตนในแต่ธรรมชาติในแต่อากาศมอบให้สิ่งเหล่านั้นไปขอบคุณธรรมชาติขอบคุณอาการมันปวดมันมั่วยมันรอนมันหนาวมันหิว <c oughs> เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว ไม่ใช่มาเอาไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์เป็นความถูกต้องหยุงกัดมันเจ็บเป็นการถูกต้องแล้วอะไรฉันข่าวเถือนี่มันหิวฉันข้าวเมื่อเดียวเออถูกต้องแล้วมันหิวอปมใจเถอะเวลาใดที่มันหิวโอ้แสดงว่าธรรมชาตินี่อยู่ในความปกติทีเดียวเลยสดชื่นอะไรใดมันหิวขึ้นมาโอ้ขน า, ยาดเรา อายุอุ่นเน่มันหิวข้าวจนสัน่นจะได้ว่าใช่ได้แล้วดีใจซะไม่ต้องไปทุกมันเมื่อเชินก่อนเน่หลวงพ่อก็ไปถ้าจะพูดเราไปพูดไปเทศสิบเอ็ดวัดวัดปา่าสุขโตตอนเช้าตอนบ่ายไปเทศ สีเก้าวัดดั <c oughs> นเย็นมาเทศที่ท่ามาไปหวานรวมแล้ววันเดียวสิบเอ็ดวัดเ <c oughs> จองไหมคุณหมอ <c oughs> อืดฮ้าตาใจแก่ได้เทศตั้งสิบเอ็ดวัดวันเดียวนะทำไมสิบเอ็ดวัดนะแล้วก็เป็นนัดเขานั่นแหละเก้าวัดเนี่ยต้องมารวมกันทีเดียวนะพระทุกลูกต้องมารวมกันเอาวัน ปฏิโมกเป็นวันศักดิ์สิทธิ์แล้วอ๋อาขยยกมาด้วยออฉันเป็นเราก็เทศแล้วมันการเทศในวันนั้นก็คว่องคว่องของขว ง, ง, งหน่อยเหมือนกับตรงมันพวกเราไม่เหมือนนียนะไม่หัวข้อใหญ่ประมาณสักสามสี่หัวข้อเออดึงละการศึกษาอยู่นิ่งไม่ได้พวกเรานะ การศึกษาใหญ่เอีกรวมลงก็มีอยู่สองคันาธาตุละและปิปัสินาทุระต้องเป็นทุระพวกเราอย่าไม่เอาทุระอะไรถ้าไม่เอาทุระอะไรใช่ไมมได้คันาธาุละก็คือเรียนตำรับตำลาอ่านคำสอนของท่านผู้ลูกโดยเพราอเราทำินในเนี่ยเป็นองศาสด า, ศา การทำวินัยเป็นาศาสตราแทนพระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรต่างๆเรียนรู้พุทธประวัติเรียนรู้มันสมองอยากรู้เพื่อใดต้องเรียนรู้ความรู้สึกคิดนึกของท่นานพ่อนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกว่าการปัติทุลาอันที่สองคือวิปัสนาวิปัสนาทุลา คือนี่ยพวกเราทํางังไงเห็นทุระเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยปฏิบัติปริยัติเป็นสองนะโดยเฉพาะมีปัสนาทุลัเป็นหนึ่งนะสมัยทำพระเจา้พจาพระเจ้าปริยพานไปทางทำสังขนาขั้น ท, ที่สี่ที่ลังกาหนะพระเจ้าปริย พ, พ, พานไปแล้วประมาณเจ็ดลอยแปดลอยีจึงมาเขียนเป็นตํำรับตํารา แต่ก่อนก็บอกบอกกันปากต่อปากในปัชนาละการศึกษาชีวิตรุ่นลว น, ลว น, ลวนที่เราทำนี่ก็คือการศึกษายอดๆแต่พูดวันนั้นโทษนานหาอันที่สองก็คือการเผยแผ่พวกเราต้องรู้จักเผยแผ่แบ่งปันกันรู้อะไรก็แบ่งปัน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 เดินเข้ามาวัดที่ไหนเที่ไหนให้สะอาดเรียบร้อยการเผยแผ่อย่างพันสกี้เนี่ยไม่ได้พูดสักคาเลยเพียงเดินบินธรบาตให้อุปจิตสะมโนกปิศาเบุบทเห็นเห็นอุปิเห็นพันสกีนี่เดินบินธบาตรก็เกิดศรัทธาแล้วยังไม่ได้พูดอะไรแหละนี่คือการเผยแผ่กุลิยามย า, มารยาตสมณะสากระยวบท ไม่ต้องพูดอะไรบางทีเรานั่งเราเดินเราไปไหนอุ้มบาทมินท บ, บาทเกิดศรัทธาได้ทำให้สร้างศรัทธาเดี๋ยวนี้ศรัทธาวิกฤตวิกฤตแทกศรัทธาและเนี่ยนะบางทีขึ้นรถโดยสารเนี่ยไม่ไปซื้อตัว เ, เขาไม่ขายให้ ทำไมก่อนนะทำไมก่อนนะหลวงพ่อไปซื้อตัวรถเนี่ยเขาไม่ค่อยขายให้เดี๋ยวเดี๋วหลวงพ่อเนะซื้อทีหลังซื้อทีหลังพอเวลารถจะออกพอเราไปซื้ อ, อเต็มแล้วไม่มีแล้วหลวงพ่อเต็มแล้วอืาเดี๋เราไปเราก็ฉลาดนะเราก็ไม่โง่เราก็ไม่ไม่ไปซื้อเองให้โยมไปซื้อใหอ้เอาเต็มราคาเลยอ่เอาเราก็าจีคนสองคนเอาเงินให้เขา เขาก็บอกเอาเต็มราคาเลยนะเขาก็ซื้อแบบนั้นหรอมากดอกมากแต่ก่อนนะ ม, มันเขาเรียกว่าวิกฤตแห่งศรัทธามันเราเนี่ยจะต้องช่วยกันมาสร้างศรัทธาแต่ว่าการไฟแพร่ <c oughs> หลายหลายรูปแบบทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังอันที่สามก็สาธานุปกการ ที่อยู่อาศัยดูแลรักษาสมบัติพันสถานทั้งหลายที่มีอยู่ในวัดวาอารามให้มันสะดวกสะดวกคืออะไรในเขาห้องน้ำก็ไปน้ําใช้ได้มีโซฟาเก้าอี้ก็นั่งได้ไม่ที่นั่งก็นั่งได้ไม่ต้องจับไม้จับอะไรมากรดให้สะดวกสัหน่อยไปไหนมาไหนให้สะดวกสร้างความสะดวกแน่นอนอยู่ในรั้ววัดวาอารามอยู่ในบ้านของเรา จะจิบจะง่ายเดหายก็ลูกจะดูก็างามตาให้มันลุ่มลื่นสักหน่อยนี่เรียกว่าสาถุรประกาศความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยแก่ผู้ไปผู้มา <c oughs> อันที่สี่ก็อะไรล่ะจำไม่ล่ะนะนี่ก็แจงแล้วอ่าพระ